1.20 การวางจิตวางใจในการภาวนาเวลาภาวนาอย่าเสแสร้งอย่าแต่งใจอย่าน้อมใจอย่าทำวางฟอร์มวงเล็บเปิดที่ทำเพราะอยากดีวงเล็บปิดให้รู้อย่างที่มันเป็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ลงไปอย่าไปแก้ไขถ้าทำแล้วไม่รู้ว่าทำยิ่งเป็นตัวร้ายเลย